ท่านผู้ฟังการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะมีชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่หรือว่าชีวิตในสังคมสิ่งหนึ่งที่ควรจะพิจารณาแล้วก็ตรึกตรองให้ดีก็คือเรื่องของความเชื่อโดยเฉพาะในชีวิตคู่หรือว่าการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากจะมีทั้งผู้หวังดีแล้วก็หวังรายอยู่ร่วมกันเสมอเช่นเมื่อมีผู้ใดพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้เกิดความแตกแยกกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันเราก็ควรพิจารณาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าพิสูจน์ให้รู้จริงในสิ่งนั้นจะได้ไม่เสียคนในภายหลังเรื่องนี้มีนิทาน อ, าอยู่ในทุตุพายะชาดกครับเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องเล่าวันในการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสี อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีดงตาลกับต้นมะตูมอยู่ติดกับแม่น้ำด้านทิศตะวันตกของป่านั้นณดงตาลแห่งนั้นก็มีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใต้ต้นตาลแล้วก็ใกล้ต้นมะตูมวันหนึ่งเจ้ากระต่ายออกเที่ยวหากินพอกินอิ่มแล้วก็กลับมานอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นตาลที่มีลูกดอกมีทั้งลูกอ่อนลูกแก่ผลสุกผลดิบทรงกลิ่นหอมอ่ อ, อนๆทําให้เหมาะแก่การนอนของกระต่ายน้อยเป็นอย่างยิ่ง และนีะ่ตรงนั้นก็มีต้นมะตูมต้นหนึ่งลูกดอกเหมือนกันขึ้นอยู่เคียงข้างต้นตาล น, นั้นด้วยขณะที่กําลังนอนคิดเพลินๆอยู่ว่าถ้าหากแผ่นดินถล่มนี่เราจะไปไหนหนอจะวิ่งไปอยู่ที่ไหนทันใดนั้นเองผลมะตูมที่สุกเต็มที่ก็หลุดลนจากขั้วตกลงมาถูกใบตาลแห้งเสียงดังสนัน่นทําเอาเจ้ากระต่ายที่นอนคิดอยู่นึกว่าแผ่นดินถล่มจริงๆ ร, ร, ร้องสุดเสียงเอ้ยแผ่นดินถล่มแล้ววัย แต่แล้วกระโดดวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตโดยไม่เดี๋ยวหลังมาดูบรรดากระต่ายที่อาศัยอยู่ในป่าตา่นั้นรวมทั้งสัตว์อื่นๆเมื่อได้ยินเสียงร้องดังอย่างนั้นก็วิ่งหนีตามกันทันทีบางก็เสียงร้องถามว่าหนีอะไรอะ่ะแผ่นดินถล่มแล้วเรียบหนีเถอะต่างสัตว์ต่างก็ส่งเสียงบอกตอนไปเรื่อยๆแผ่นดินถลม่มแผ่นดินถลม่มทําให้สัตว์ทั้งหลายวิ่งหนีตายกันอย่างสุดกําลังฝูงสัตว์หนีตายกันเป็นแถว พระยาราชสีเห็นสัตว์น้อยใหญ่วิ่งกันมาฝุ่นกระจายก็ร้องถามไปว่าเอยเจ้าสัตว์ทั้งหลายพวกเจ้าวิ่งหนีอะไรกันน่ะสัตว์ตัวหนึ่งก็บอกว่าท่านราชสีนดินถล่มแล้วกําลังถล่มตามหลังพวกเรามารีบหนีเถอะอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ช้าตายเสร็จแล้วก็วิ่งต่อสัตว์จํานวนมากวิ่งชนกันเหยียบกันตายบ้างบาดเจ็บบ้างตัวไหนใหญ่ก็เบียดตัวที่เล็กกว่าทําให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเจ็บตายเป็นจํานวนมาก ตัวที่มีแรงอยู่ก็วิ่งมุ่งหน้าไปทางหน้าผาสูงโดยไม่รู้ตัวส่วนพญาราชาสีอาศัยความการุณาในหมู่สัตว์ก็เกรงว่าสัตว์ทั้งหลายจะเอาชีวิตไปทิ้งที่หุบเหวข้างหน้าก็รีบวิ่งไปขวางสัตว์ทั้งหลายเอาไว้พร้อมกับส่งเสียงคำรามกึกก้องสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงราชาสีก็ตกใจก็ทําให้หยุดวิ่งทันทีพอสัตว์ทั้งหลายหยุดวิ่งแล้วพญาราชาสีก็ถามไปว่าพวกเจ้าจะวิ่งหนีไปไหนกันเนี่ยฮะจะไปไหน ก็จะวิ่งไปข้างหน้าจนว่าจะพ้นเขตอันตรายแล้วที่ไหนล่ะคือที่ที่ปลอดภัยของพวกเจ้าไม่รู้อ้าวแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้างหน้าที่พวกเจ้าวิ่งไปคืออะไรไม่รู้ครับนายข้างหน้าที่พวกเจ้าวิ่งไปแต่มันเป็นหูเหวมรณะพวกเจ้าวิ่งกันอย่างไรสติอย่างเงี้ยก็ต้องตกไปตายกันหมดอย่างแน่นอนสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ตกใจก็ต่างส่งเสียงโอ้ย เกือบแล้วไหมล่ะเกือบวิ่งมาตกเหวตายแล้วใครว่าเป็นคนพาวิ่งเสร็จแล้วก็มองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวพยาราชสีโพธิศัตว์พอเห็นสัตว์ทั้งหลายเริ่มอาการสงบแล้วก็ถามว่าไหนพวกเจ้าลองบอกมาสิใครเป็นคนเห็นแผ่นดินถล่มบ้างพอได้ยินคําถามสัตว์ต่างก็หันหน้าไปหาซึ่งกันและกันเพื่อที่จะค้นหาว่าใครใครเป็นคนเห็นว่าแผ่นดินถลม่มแต่แล้วก็ไม่มีใครตอบ สุดท้ายก็โยนความรับผิด ช, ชอบให้ซึ่งกันและกันช้างก็บอกว่าเสือเห็นเสือก็บอกแรดจีแรดเห็นเห็นมันมาบอกแรดก็บอกว่าควายเนี่ยเป็นคนเห็นควายก็บอกหมูป่าเห็นหมูป่าก็บอกว่าได้ยินมาจากควางควางก็บอกว่าได้ยินกระต่ายร้องบอกกระต่ายคงเห็นเจ้ากระต่ายทั้งหลายก็ชี้ไปที่เจ้ากระต่ายตัวนั้นทันทีนายกระต่ายตัวเนี้ยมันเป็นคนบอกว่าแผ่นดินถลม่ม พญาราชสีก็หันหน้าไปมองกระต่ายตัวนั้นก็ถามออกไปเออว่าไงกระต่ายเจ้าเห็นแผ่นดินถล่มจริงหรือเปล่าจริงครับเจ้านายผมเห็นจริงๆขณะที่ผมกาลังนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นตาลซ่อนตัวอยู่ในใบตาลแห้งเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวขึ้นข้าก็วิ่งหนีตายมานี่แหละพญาราชสีเพื่อตรวจสอบพ่อเท้จริงก็บอกให้สัตว์ทั้งหลายรออยู่ตรงนั้นส่วนตนกับกระต่ายเดินกลับไปดูสถานที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงก็ตรวจดูอย่างทุวนทีเห็นลูกตาลสุกกับลูกมาตูมวางอยู่ใก ล, ใกล้ๆใบาตาลแห้งก็เข้าใจทันทีก็กลับมาบอกสัตว์ทั้งหลายเอ้ยเจ้าทั้งหลายเลิกรัวได้แล้วเสียงที่กระต่ายได้ยินนั้ไม่ใช่เสียงแผันดินถลม่มแต่เป็นเสียงลูกมาตูมตกลงถูกใบาตาลแห้งก็เลยเกิดเสียงดังเลิกรัวได้แล้วสัตว์ทั้งหลายได้ฟังอย่างนั้นก็โกรธกระต่ายที่ทําให้ตัวต้องวิ่งหนีตายทั้งชนทั้งเหยียบอะไรกันต่างๆจนได้รับบาดเจ็บ ก็พากันตำหนิกระต่ายด้วยถ้อยคำต่างๆนานาแล้วก็พากันขอบคุณพญาราชสีที่ช่วยชีวิตไว้ได้ทันก่อนที่จะพากันตกเหวตายนิทานเรื่องนี้ให้คติและข้อคิดว่าก่อนที่จะเชื่อใครในควรพิจารณาให้ดีก่อนไม่ควรจะเชื่อโดยการบอกเล่าสืบสืบกันมาควรจะไต่ตรองให้ดีสะก่อนแล้วค่อยเชื่อไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาตามมานิทานชาดกอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของพญาแรงกระตันยู ผู้ที่มีความกระตันอยู่ไม่ไว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นิย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญและเมื่อประสบภัยอันตรายก็ยอมได้รับการช่วยเหลือดังพยาแรงโพธิสัตว์ที่มีความกระตันอยู่หาเลี้ยงมารดาที่ตาบอดแล้ววันหนึ่งถูกบ่วงในพรานแต่ก็ได้รับการปล่อยเพราะว่านายพรานรู้ว่าต้องหาเลี้ยงมารดานิทานชาดกเรื่องนี้ชื่อคิดชะชาดกครับ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพยาแรงท่านได้อาศัยอยู่กับมานดาซึ่งตาบอดทุกๆวันพยาแรงก็ออกหาอาหารตามป่าเพื่อจะนำมาเลี้ยงมานดามารดาก็กล่าวกับพยาแรงในตอนเช้าวันหนึ่งบอกลูกเอ้ยเวลาออกหาอาหารให้ระวังอันตรายนะลูกแม่เป็นห่วงขอบพระคุณท่านแม่ที่เป็นห่วงลูกจะระวังตัวตามคาที่แม่บอกครับ หลังจากนั้นพญาแรงก็ออกหาอาหารแล้วก็นำกลับมาเลี้ยงแม่อย่างปลอดภัยทุกวันวันหนึ่งนายพรานป่าคนหนึ่งก็คิดว่าเอวันนี้รู้สึกอยากจะกินนกผัดเผ็ดยังไงไม่รู้สงสัยจะต้องเข้าป่าหาดักนกซะหน่อยแล้วเราว่าแล้วนายพรานป่าก็จัดแจงอุปกรณ์แล้วก็เข้าป่าหาดักนกทันทีต้องเอาต้นไม้ใหญ่ต้นโน้นเห็นพวกแรงมันชอบบินมาจับ วันนี้ลองกินเนื้อแรง ด, ดูบ้างก็ดีเหมือนกันเพื่ออร่อยวันหลังจะได้มาดักอกีกในพ่านป่าพอตกลงใจว่าจะดักแรงแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้วางบ่วงเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปฝ่ายพญาแรงก่อนออกหาอาหารก็ไปลาแมราดาเหมือนเดิมลูกเ อ, อ้ยเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีเลยลูกออกหาอาหารวันนี้ระวังตัวเองดีๆนะลูกนะเออลูกจะไม่ประมาทแล้วก็จะระวังตัวตามที่แม่บอก พยาแรงให้คำมั่นสัญญากับมารดาแล้วก็บินออกไปหาอาหารตามปกติแต่คนเราเมื่อถึงคราวเคราะห์กรรมแม้จะระวังตัวยังไงก็แล้วแต่ก็ย่อมพลาดจนได้พยาแรงที่ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะประมาทแต่วันนั้นพลาดพลาดจนได้เลยบินไปจับที่ต้นไม้ที่นายพรานวางบ่วงดักไว้ในที่สุดก็ติดบ่วงเขานายพรานทันทีที่ติดบ่วงนายพรานแทนที่จะนึกถึงตัวเองที่กาลังจะตาย พญาแรงก็นึกถึงแม่ที่ตาพิการเป็นอันดับแรกป่านนี้แม่คงยังไม่รู้ว่าเราติดบ่วงในพรานแม่คงตั้งตารอเวลาที่เราจะเอาอาหารไปให้แม่ถ้าลูกตายไปแล้วแม่จะอยู่ได้ยังไงคงจะลำบากมากใครจะหาอาหารมาให้กินทู่ทาไมเราถึงอายุสั้นขนาดนี้ยังอยู่ตอบแทนบุญคุณแม่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องมาตายซะแล้ว ตลอดคืนคืนนั้นพยาแรงก็คร่ำครวญถึงแต่แม่ท่ตาพิการโดยไม่ห่วงว่าตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรรุ่งขึ้นวันต่อมานายพรานก็ออกจากบ้านเข้าป่าเพื่อจะเก็บบ่วงที่ดักไว้เขาก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก็ได้ยินเสียงพยาแรงคร่ำครวญก็ถามว่าอา้าวมาบนคร่ำครวญอะไรจะกลัวตายมากหรือไงเราไม่กลัวตายหรอกท่านนายพรานที่เราคร่ำครวญก็เพราะเราเสียดายภารกิจที่เรายังทาไม่เสร็จตั้งหา ภารกิจอะไรมันสําคัญมากถึงกับทาให้เจ้าต้องร้องไห้คร่ําครวญตลอดคืนเจ้าไหนลองบอกข้ามาหน่อยสิถ้าสำคัญจริงๆข้าอาจจะปล่อยเจ้าไปทําภารกิจอันนั้นพยาแรงก็กล่าวกับนายพรานออกไปบอกนายพรานที่เราร้องไห้คร่ําครวญก็เพราะเราเสียใจที่ตอบแทนบุญคุณแม่ที่ตาพิการยังไม่เท่าครึ่งหนึ่งที่แม่เลี้ยงดูเรามาเลยเราได้ช่งเป็นลูกที่อักตันยูเสียจริงๆ ในพรานได้ยินพญาแรงกล่าวถึงภารกิจที่จะต้องเลี้ยงดูแม่ตาพิการก็เกิดใจอ่อนก็เลยปล่อยพญาแรงไปนิทานเรื่องนี้ให้คติและข้อคิดว่าคนที่กระตันญูต่อบิดามารดาแม้ตกอยู่ในภัยอันตรายก็สามารถรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆได้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ